ส่วนอุปธิวิเวกเป็นไงนะกิเลสขันอภิสังขารเรียกว่าอุปธิอ่า น, นะกิเลสก็คือกิเลสวัสดนะนะขันก็ขันทวัตอภิสังขารก็คือกรร ม, มวัตอ่า น, นะกิเลสสวัตวิปากวัตกรร ม, มวัตสามอย่างนี้เรียกว่าอุปธิอมะตะนิพานเรียกว่าอุปธิวิเวกนี่นะนิพานเนี่ยสงัดจากกรรมวิบากและกิเลส เพรา ะ, ะนั้นอุปธิได้แก่ธรรมะเป็นเอขอข้าไปอุปธิวิเวก ค, คืออะไรก็คือธรรมะเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปทิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สำ ROC ตันหาเป็นที่ดับตันหาเป็นที่ออกไปจากตันหาเครื่องร้อยรัดนี้เรียกว่าอุปธิวิเวกเนีย่ยนะสงัดจากกรรมวิบากและกิเลสอย่างแท้จริงเนีย่ยนะอย่างของเราตอนนี้ไม่สงัดจากถ้าขณะที่กุศลเกิดก็สงัดจากกิเลสน่ยนะนะพักหนึ่ง แต่ว่าสังกัดจากวิบากสังัดไหมไม่สงัดการเห็นการได้ยินเนี่ยกรรมมชรูปนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมวิปากวัฏ ส, ส่วนอภิสังขารก็กุศลจิตเกิดขึ้นก็เป็นกรร ม, มวัฏนั่นเองอันพระนิพพานนี่สงัดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็กายวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลีกเร้นยินดียิ่งในเนคขมมะนี่นะมันคนที่ยินดีในกุศลเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะพวกนี้จะได้กายวิเวก เพราะการคลุกคลีกันโดยมากกุศลไม่ค่อยเจริญหรือกุศลไม่ค่อยเกิดนั้นผู้ที่มุ่งหมายหรือมุ่งมั่นในกุศลทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะสมถาวิปัสนาเนี่ยกายวิเวกสําคัญมากส่วนจิตวิเวกย่อมมีแก่ผู้มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยนะคือผู้ที่ได้รูปปัจจานทั้งหลายเนี่ยนะอรูปปัจานเรียกว่าผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงซึ่งความเป็นผู้มีจิตผ่องแผ้วอย่างยิ่งอันนี้ก็คือจิตของพาริยะก็ผ่องแผ้ว ส่วนอุปทิวิเวทย่อมมีแก่บุคคลผู้หมดอุปทิเช่นผ้าละหันเนี่ยนะซึ่งมีนิพานอันเป็นวิสังขารเป็นอารมณ์มันผ้าละหัน์ทั้งหลายก็มีสังขามีนิพานที่เป็นวิสังขารคือพ้นจากสังขารไม่ถูกสังขารปรุงแต่งคำว่าสันติเนี่ยนะที่บอกว่ามีสันติบทคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีสันติโดยสับเฉยเฉยสันติที่แปลว่าความสงบเนี่ยมีสาอย่าง คือสันติบ้างสันติบทบ้างโดยอาการอย่างเดียวกันนะครับโดยศัพท์นะสันติกับสันติบทอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยสันติก็คือสันติทิฐิเป็นสันติก็มีนะหรือว่ากุศลธรรมทั้งหลายก็สันติเหมือนกันหรือนิพานก็ชื่อว่าสันติแต่สันติในที่นี้เนี่ยนะในคาถานี้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีสันติบทเนี่ยนะก็คือหมายถึงอมตะนิพาน พระองค์นี้เป็นผู้ที่เห็นพระนิพพานนะพระพุทธเจ้านะพระนิพพานนี้สิคือสิ่งเดียวกันคือกับนิโรธสัจจะนะนิโรธสัจจะก็คือพระนิพพานนั่นแหละพระนิพพานก็ได้แก่ธรรมะเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิคือกรรมวิบากกิเลททั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเครื่อง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 มันทันนิพานเนี่ยเป็นสันติที่สงบละเอียดประณียยิ่งนักอีกอย่างหนึ่งโดยประการอื่นทำเหล่าใดย่อมเป็นไปเพื่อบรรลุความสงบอะไรบ้างธรรมะไหนที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุนิพาน น, นะความสงบที่กล่าวคือนิพานเนี่ยธรรมะใดที่ย่อมเป็นไปเพื่อถูกต้องความสงบเพื่อทําให้แจ้งความสงบธรรมะนั้นก็คือสติปัญสี สมะประธานสี่ที่บาดสี่อินรีห้าพลาหโพชงเจ็ดอริยมรตมีองค์แปดธรรมะเหล่านี้เรียกว่าสันติบทคือบทสงบตานบท น, นะบทเป็นที่ต้านทานเลนะบทบทเป็นที่ซ่อนเร้นสาระบทบทเป็นที่พึ่งอภยะบทบทที่ไม่มีภัยอัจจตตบทคือบทที่ไม่เคลื่อนอมะตะบทคือบทไม่ตายนิพพานบทคือบทดับตัณหา มันโพธิปัจจียธรรมเนี่ยถือว่าเป็นบทที่เป็นไปเพื่อแทงตลอดพระนิพพานเนั้นคําว่าสันติเป็นชื่อของตรงๆก็คือเป็นชื่อของนิโรธสัจจะกับมรคสัจจะเนี่ยนะเั้นความสงบที่แท้จริงเนี่ยนะที่เราว่าสแสวงหาความสงบก็สแสวงหานิโรธสัจจะกับสแสวงหามรคสัจจะสมัยนี้เขาสแสวงหาที่สงบนี้สแสวงหาอะไรสแสวงหาที่เงียบๆใช่ไหมแต่ว่า ถ้าเป็นสมัยก่อนสแสวงหาความสงบก็คือสแสวงหาพระนิพพานที่สงบสแสวงหาโพธิปัจจิยธรรมที่สงบนั่นเองคำว่าผู้สแสวงหาคุณใหญ่พระพุทธเจ้านะเป็นผู้สแสวงหาคุณใหญ่ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสวงหาคุณใหญ่คือทรงแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งศีลขันใหญ่สมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุตติขันใหญ่วิมุตติญาณทัศนขันใหญ่ฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้แสวงหาคุณใหญ่เรียกว่าแสวงหาธรรมขันห้าที่ใหญ่มากเนี่ยนะศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันเนี่ยต้องใหญ่จริงๆถ้าไม่ใหญ่เนี่ยจะ จะไม่สามารถสงเคราะห์แนะนรรําสัพพสัรได้เลยแต่เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้สแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วพระองค์ก็ได้คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่คือศีลขันเป็นต้นพระองค์ก็เกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์แสดงธรรให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยได้ได้รับกุศลธรรมคือศีลขันเป็นต้นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่ง ความทำลายกองมืดใหญ่อวิชากองใหญ่นะทำลายความมืดที่ใหญ่เพราะความมืดใดที่จะเสมอเท่ากับอวิชาไม่มีนั้นพระองค์เนี่ยสแสวงหาธรรมะที่มาทำลายความมืดใหญ่อย่างนี้ทำลายความวิปลาสใหญ่นะวิปลาสนี่ใหญ่ขนาดไหนคิดดูนะคิดไปที่ไหนก็สุขใชไหมสบายนนะนะคิดไปที่ไหนก็เหมือนกับเหมือนเดิมหมดนะคิดถึงบ้านเรานี่เหมือนเดิมไหม เอ๊นึกไปที่ใดมันก็เหมือนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแต่จริงๆแล้วเหมือนเดิมไหมล่ะแต่เพราะนนั้วิปราสนี่ใหญ่มากเนี่ยนะคือความสําคัญว่าเที่ยงเนี่ใหญ่ความสําคัญว่าสุขนี่ก็ใหญ่ความสําคัญว่าเป็นอัตตาก็ใหญ่ความสําคัญว่างามก็ใหญ่เนี่ยนะยากที่จะละได้พราะฉะนั้นพระองค์นี่ส่อแสวงหาเพื่อทําลายวิปราสที่ใหญ่แบบเนี้ยพระองค์นี่ถอนลูกศอนคือตันหาใหญ่ ความปลดเปลื้องโครงคือทิฏฐิใหญ่ความกำจัดทงคือมานะใหญ่ความระงับอภิสังขารคือกรรมเนี่ยใหญ่ความปิดกั้นโอคะใหญ่ความปลงภาระใหญ่คือขันห้าเนี่ยนะความดับสังสารวัตคือขันอิยตนะธาตุที่สืบเนื่องไปที่ใหญ่ความดับความเดือดร้อนใหญ่ความระงับความเล่าร้อนใหญ่ความยกซึ่งทงคือธรรมะ ได้แก่โพธิปักจัยธรรมที่ใหญ่ฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้สแสวงหาคุณใหญ่ถ้าลักษณะโดยสรุปก็คือมุ่งกำจัดอกุศลที่ยิ่งใหญ่มากมุ่งจัดสงบระ ง, งับดับวัตตะที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นการที่จะกำจัดอกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องกำจัดด้วยอริยมรรคการที่จะสงบระ ง, งับจากวัตตะได้ก็อาศัยพระนิพพานฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่สแสวงหา ธรรมะเหล่านี้แล้วก็ขณะเดียวกันหลังจากนั้นพระองค์ก็ยกธงคือโลกุตระธรรมที่ใหญ่พระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมที่ใดหรือไปที่ใดก็มุ่งโลกุตระธรรมนี้เป็นใหญ่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสวงหาเสาะหาคนหาซึ่งสติประธานสสัมมาประธานสี่อิทธิบาทสี่อินรี่ห้าพระละห้โพชฌงเจ็อริยมัติมีองค์8 อ ม, มาตะนิพานเป็นประมัดใหญ่ฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าผู้สแสวงหาคุณใหญ่สแสวงหาโพธิปัยธรรมซึ่งเน้นที่มรรคสัตว์นะนะแสวงหาพระนิพานหมายถึงนิโรธสัจจะแต่ทุกสัตย์นี้ต้องสแสวงหาไหมไม่ต้องสมู ท, ทยัยไม่ต้อ ง, องนะนะไม่ค่อยบอกพร่องเลยนะนะร่ํารวยมากนะร่ารวยทุกสัตย์ เดินไปไหนก็กระโปกกระเพลกเนี่ยร่ารวยทุกษัตรว์นะฮะร่ารวยสมุทัยสัตว์อันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็ดีนะเนี่ยสมุทัยสัตว์ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องหามีอยู่แล้วเนี่ยได้เชื้อก็กําเริบได้เชื้อก็กําเริบเลยแต่ว่านิโรธสัจจะเนี่ยนะต้องสแสวงหาที่สงบระงับจากสังขารทั้งมวลเหล่านี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้อันสัตว์ทั้งหลายที่มีศักดิ์ใหญ่ศักด์มากเนี่ยนะแสวงหาเสาะหาค้นหา ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาประทับอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าผู้องค์อาจกว่านารชนประทับอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระผู้แสวงหาคุณใหญ่คือคนที่มีคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยแสวงหาพระพุทธเจ้าเพรานั้นจึงชื่อว่าผู้สงัดพระพุทธเจ้าเป็นผู้สงัดคือผู้มีวิเวกสามผู้มีสันติบทคือ มัดมีสันติบทคือ น, นิพพานกับโพธิปัจจัยธรรมแล้วก็สแสวงหาคุณธรรมที่ใหญ่ก็คือสแสวงหาการละวิปลาสใหญ่ทำลายบาปอากุศลที่ยิ่งใหญ่นะแทงตลอดอมะตะ น, นิพพานที่ใหญ่เพื่อตรัสรู้โพธิปัจขยธรรมที่ยิ่งใหญ่ังนั้นพระองค์นี้จึงเป็นผู้สงัดมีสันติบทสแสวงหาคุณใหญ่นี่คาถามที่ประสงค์ก็คือภิกษุเห็นอย่างไร แล้วก็ย่อมดับเนี่ยนะหรือว่าภิกษุเห็นอย่างไรจึงจะไม่ถือมั่นซึ่งสังขารอะไรในโลกแล้วก็สามารถดับได้เนะี่ยอธิบายว่าคำว่าภิกษุเห็นพบเทียบเคียงพิจารณาทำให้แจ้งทาให้แจ้งอย่างไรจึงจะดับคือถามว่าปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะเห็นอย่างไรรู้อย่างไรจึงจะดับสงบเข้าไปสงบเข้าไปสงบพิเศษระงับ ซึ่งราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาความตระนีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลาภิสังขารทั้งปวงของตนคำถามก็สรุปว่ารู้ยังไงละกิเลสได้ะ หรือรู้ยังไงละสมุทัยศาสตร์ได้คำว่าภิกษุในที่นี้ก็คือเน้นภิกษุที่เป็นกัลยาณปุทุชนกับภิกษุที่เป็นเสขะบุคคลเพราะพระอรหันต์ท่านเห็นแล้วท่านดับได้แล้วคำว่าไม่ถือมั่นซึ่งสังขารอะไรในโลกความว่าไม่ถือมั่นไม่ยึดไม่จับต้องด้วยอุปาทานสี่นะคือเห็น พิจารณาเห็นยังไงอ่ะจึงจะไม่ยึดถืออุปายึดถือสังขารด้วยกามุปาทานทิฏฐปาทานสีละพตุปาทานและอัตตวาทุปาทานคาว่าในโลกคืออบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกอายตนะโลกคำว่าสังขารอะไรสังขารก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานสี่คือกามุปาทานเป็นต้นในขันธ์เป็นต้นนั่นเอง อันสรุปว่าพระพุทธนินมิตรนั้นถามว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์ผู้สงัดคือผู้มีวิเวกสามเนี่ยนะมีสันติบทคือนิพพานกับโลกกับโพธิปัจฉยธรรมผู้สแสวงหาอคุณอันใหญ่ว่าภิกษุเห็นอย่างไรแล้วจึงจะไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานสี่ซึ่งสังขารคือขันห้าในโลกแล้วก็ย่อมดับได้ ก็คือดับอุปาทานได้ยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าภิกษุพึงกำจัดบาปประธรรมทั้งปวงนั่นแหละคำตอบนะที่จะเห็นแล้วก็จะละความยึดมั่นได้ก็ต้องดับกำจัดบาปประธรรมทั้งปวงคือกิเลสที่เป็นรากเหง้าแห่งส่วนธรรมะเครื่องเนื่อช้าและอัศมิมาณด้วยปัญญาก็ตันหายางใดอย่างหนึ่งที่มีณภายในภิกษุพึงเป็นผู้มีสติ ศึกษาเพื่อกำจัดซึ่งตันหาเหล่านั้นในการทุกเมื่ออันนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตันหานะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุที่เป็นกัลยาณปุตชนและพระเสขบุคคลเนี่ยนะ